<c oughs> ขอนอบน้อมถวายขุณพรตต <c oughs> รลรัตนไตรเขากะหลวงพระกลมเพื่อนสตรีมิกทุกท่าน <c oughs> จเจริญธรรมไม่ทีและญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> อ่าเราก็ได้ปฏิบัติกันมาหลายวันแล้วเนาะเหลืออีกสักนะสองวันนะพรุ่งนี้ก็จะกลับกันแล้ว <c oughs> ครา้ น, นี้เราก็ <c oughs> ดูว่าเออทําไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมกัน คือในพุทธศาสนานี้นะมีคำสอนของผู้เจ้านี่มีมากมายนะถึงว่าอาจจะมีถึงแปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์เนี่ยเยอะมากเนาะขเนี้ยถ้าเราสามารถสรุปให้สั้นลงได้ไหมจะได้จับประเด็นกันได้ง่ายขึ้นเนาะถ้าสรุปให้สั้นลงก็จะเหลือสองประเด็นนะก็คือว่าอ่าเป็นการที่เห็นทุกข์นะ ก็คือเ่ให้เราทุกคนว่าเห็นว่าความทุกขนะ์น่ะมีอยู่นะรักษาเห็นความทุกข์นี่คืออะไรเนะี่ยแล้วต่อมาประกาศสุดท้ายก็คือให้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นั้นเนะี่ยพอเราถึงความดับทุกข์นั้นก็คือเราปฏิบัติในมรรคมีองศาแล้วก็ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็คือถึงนิโรธเนะี่ยก็คือการจบสิ้นในพุทธศาสนานี้นะ เพราะนั้นถ้าเราจับประเด็นได้เราก็จะง่ายขึ้นนะอย่างบางบางท่านที่มานี่ก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่ว่ามาปฏิบัตินะด้วยความที่เราเห็นทุกในตรงนี้นะเราก็เลยอ่สละเวลาที่มีค่าของเราเนะี่ยลาการลางานมานะมาปฏิบัติธรรมนะเพื่อที่จะอ่นะประจักษ์แจ้งว่าความทุกข์เป็นอย่างไร <c oughs> นะั่พระเราได้เห็นทุก์ในตรงนี้แล้วนะแล้วเราก็มาหาวันทางที่จะออกจากความทุกข์กันนะ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ยังมองไม่เห็นทุกข์ในตรงนี้อ่า <c oughs> พวกนี้ผู <c> ้ <oughs> ที่มองไม่เห็นทุกข์นี่ก็ชื่อว่ามีความประมาทอยู่นะมีความประมาทอยู่เ <c oughs> พราะไม่คิดว่าเออเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะเราจะเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปไม่พ้นเลยนะเป็นทุกข์ประจําสังขาร น, นะเกิดมาแล้วมันหนีไม่พ้นนะเ อ, อความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละ เราต้องเดินทางเข้าสู่ความตายทุกคนนะตรงเนี้ก็คือความทุกข์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วนะส่วนความทุกข์ที่จรมาก็มีมากมายนะซึ่งคนปนใจก็มองไม่เห็นกันนะว่าเราไม่มีความทุกข์เลยต้องทุกข์หนักๆจึงเห็นนะแต่ส่วนทุกข์ที่จรมาเราก็ไม่เห็นอย่างเช่นบางคนก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยนะบางคนกนะ็อาจจะง่วงนอนนะนี่ก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะ บางคนก็จะเริ่มหิวแล้วนะนี่ก็เป็นความทุกข์นะอากาศเย็นอากาศร้อน <c oughs> อากาศหนาวฝนตกนี่ก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเราอย่างเรานั่งนานๆเนี่ยเราก็ทนไม่ไหวนะเราก็ต้องเปลี่ยนขึ้นมายืนเนะี่ยนี่ก็เป็นการแก้ทุกข์นะยืนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอีกนะไปเดินนะไปนั่งไปนอนต่อนี่ก็เป็นการแก้ทุกข์ทั้งนั้นนะความที่เราประสบความทุกข์ ต่างๆที่จรเข้ามาเหล่านี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วนี่คือความทุกข์นะเราเราก็ต้องแก้ทุกไปวันๆหนึ่งนะถ้าเราเห็นสิงส่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าเออจริงๆนั้นเรามีความทุกข์เยอะแยะเลยนะอย่างเช่นเราสวดมนต์ธัดเช้าตินี่ประจา <c oughs> อันนี้ก็เป็นที่พระเจ้าก็ได้บอกไว้แล้วว่าอ่า การเกิดการแก่การเจ็บควารตายนี่ก็เป็นทุกขนะ์โสกกระเพลเทวทุกขโทมมรัสุปายาสาตินะความคับแค้นใจความขัดเคืองใจความเศร้าเสียใจความโศกความลำไรลําพันธ์นะความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์นะการประสบกับสิ่งไม่รักก็เป็นที่เป็นความทุกข์การพัดพาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกขนะ์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ <c oughs> ว่าโดยโยปารทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้ทรงชี้ไว้ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เห็นทุกข์นี่แหละผู้นั้นเป็นผู้ที่โชคดีนะเพราะผู้ใดเห็นทุกข์เนี่ยก็จะดิน้นรนออกจากความทุกข์ส่วนผู้ใดที่ไม่เห็นทุกข์พวกนั้นก็จะไม่ดิน้นรนออกจากความทุกขนะ์เมื่อไม่ดิน้นรนแล้วจิตก็ยังสะสมอยู่ในกองกิเลสหรือความทุกข์นั้นนะไปตลอดกาลนานนะแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่จิตที่ยังมีความทุกข์ ก็ <c oughs> คือยังมีกิเลสในใจก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาติไม่ท้วนนะบางชาติก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นะบางชาติก็ไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานเปตอร์สุกายสัตว์นรกนะหรือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนะก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้นับภพบนับชาติไม่ท้วนะเพราะจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่ได้รับการสัสางให้หมดสิ้นไป <c oughs> อันนี้ก็ชื่อว่าคนที่ไม่เห็นทุกข์ก็มีความประมาทอยู่ในตรงนี้นะแล้วก็น่าเสียใจแทนเขาด้วย ส่วนคนที่เห็นทุกข์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะครับคือให้เราเห็นทุกข์ก่อนว่าเรามีความทุกข์อยู่จริงไหมพอเราเห็นทุกข์แล้วเราจะได้หาหนทางออกจากความทุกข์ได้นะเหมือนก็เราอรู้ว่าเราขนาดนี้กำลังติดคุกอยู่นะะเราก็จะต้องหาทางออกจากออกจากทุกออกจากคุกเหล่านั้นอแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าขนาดนี้กำลังติดคุกอยู่เราก็ไม่ได้หลุดออกจากทุกข์หรือจากคุกเหล่านั้นหรอกใช่ไหมก็ยังติดคุกอยู่ตลอดไปนั่นแหละนะ นะครั้นี้การที่เราจะไขวุญแจาจากความทุกหรือไขวุญแจาจากคุกได้อย่างไรนะก็คืออ่าเมื่อกี้ที่เราสอนไปแล้วนะก็มีการปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐานสี่เป็นต้นนะอ่าเป็นต้นเท่านั้นเองนะว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ก็เป็นเอกายายานโนมัคโคคือขนทางเอกที่ออกจากความทุกข์ได้ <c oughs> สติปัฏฐานสี่นี่ยก็มีสี่ประการนะ <c oughs> ถ้าพูดสั้นๆกนะ็คือมีกายนะเวทนาจิต และทำนะในข้อกายนี้ก็เริ่มต้นด้วยอาณาปานสะติก่อนนะก็ให้เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ <c oughs> หายใจออกสั้นก็รู้ <c oughs> หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้น่ะมีความรู้ในกองลมทั้งหลายเหล่านี้น่ะก็ชื่อว่ารู้ในกายนะก็เกิดสติที่จะรู้เข้าใจอในความเป็นไปของกายต่างๆ นะต่อมาท่านก็ให้รู้ในอิรุบทนะในข้ออิรุบทบพรนะก็คือให้รู้ในการยืนเดินนั่งนอนคืออิรบทใหญนะ่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนก็ให้รู้ในสิ่งเหล่านั้นนะนะครัน้เนี้ยก็มีมีพรามก็เคยถามพระพุทธเจ้าว่าท่านร่วงทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอน พระมันก็หัวเราะย่อเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันนะพระเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันอท่านยืนก็รู้ท่านยืนท่านเดินก็รู้ท่านนั่งท่านนอนก็รู้ท่านนอนท่านเดินก็รู้ท่านเดินก็คือท่านเดินอท่านรู้ในออิรุปสีนี้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะตรงนี้จะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาแล้วนะพระชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทำอะไร แต่เราก็กลับมารู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันนะต่อมาก็เป็นสมัชัญญาบัพพะ <c oughs> ก็คือการที่เรารู้ในอิบทย่อยทั้งหลายนะคู่แขนเหยียดแขนนะก้มเงยนะเหลยวซ้ายแลวขวาเดินหน้าถอยหลังอุจจาระปัสสาวะนะ ต, า ต, าต่างเหล่านี้นะก็คืออิบทย่อยทั้งหลายนั่นเองนะที่เรานะทําในชีวิตจําบันนะดื่มกินพูดคิดนะทั้งหลายแหละนี่แหละ <c oughs> เราก็รู้ไปในบทย่อยทั้งหลายเหล่านี้นะเนี่ยก็เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้นะแล้วนอกนือจากนั้นก็ยังมีข้ออื่นอื่อีกอต่างๆอีกมากมายนะ <c oughs> ตรงเนี้ยการที่เราเรารู้ว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยมัน่ามีกายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มต้นที่กายก่อนนะที่ร่างกายนี่แหละเพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่เราจะสามารถรู้ได้ <c oughs> เป็นสิ่งที่เราอ่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะปกติเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะเราก็ยืนเดินนั่งนอนนะเราก็ดื่มกินพูดคิดต่างๆก้มเงยกู้แกเหยดแขนต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่ว่าเราเมื่อก่อนเราทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความที่เราไม่รู้นะเอเช่นเราเคยเดินนะเราเดินแต่เราก็ไม่รู้เราเดินหรอกแต่เราก็คิดไปในขณะที่เราเดินนั่นแหละใช่ไหม นะหรือเราก็เคยทำอย่างอื่นมามากมายซักผ้านะถูบ้านนะแปรงฟันอาบน้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าขนาดนั้นเรากำลังทําอะไรนะเพราะว่าเราทำแล้วเราก็หลงไปด้วยเราก็คิดไปนะในเรื่องต่างๆก็ชื่อว่าเราหลงไปเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดตัวรู้ขึ้นมาไม่กลับมารู้ว่าขนาดนี้กำลังทำอะไรนะแต่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนนะจากการที่เราไม่รู้มาเป็นรู้แทนนะเปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้แทนเท่านั้นเองนะ ข้อการปฏิบัติในฐานกายนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยก็คือเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้เปลี่ยนจากที่เมื่อก่อนเราไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่กลับมารู้แทนแค่นี้เท่านั้นเองเนาะเ <c oughs> มื่อเรากลับมารู้แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าเราเกิดความรู้สึกตัว ข, <c oughs> ขึ้นมานะเกิดการที่อยู่กับปัจจุบันขึ้นมาเกิดปัจจุบันธรรมว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะบางบางคนขณะนี้กําลังยกมือสร้างยังหวะอยู่นะ บางคนก็รู้ตัวว่าขณะนี้เรากาลังสร้างยังหวะอยู่นะแต่บางคนก็สร้างยังหวะเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ก็มีนะอ่ะก็คือใจลอยหลงไปคิดไปถึงต่างๆเหล่านี้นะมันก็ต่างกันนะบางทีเราทําในสิ่งเดียวกันแต่ทําไมบางคนรู้บางคนไม่รูน้นะตรงนี้ก็เกิดจากว่าใจในรับรู้การเคลื่อนไหวไหมนะเรายกมือเรารับรับรูบร้ไหมว่าขณะนี้นกำลังกำลังยกมือสร้างยังหวะเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะนั่นเมื่อกายเคลื่อนไหว อนะ่ใจในรับรู้ได้ไหมนะในการการะทําต่างๆให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ได้ไหมอ่านะให้ใจเกิดการรับรู้เกิดขึ้นนะเพราะเมื่อใจรับรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับปัจจุบันอนะ่อยู่กับความรู้สึกตัวได้เองนะเมื่อก่อนเราก็เคยอาบน้ําแปรงฟันเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่รเราก็ใจลอยนะกลับมารู้ได้ไหมขณะนี้กำลังอาบน้ํากําลังแปรงฟันเนี่ยกลับมาให้ใจรับรู้นิดนึงนะเพราะง่างยกายขึ้นไหว ใจสามารถที่จะรับรู้ได้นะมันรับรู้ได้แต่ว่ามันต้องได้รับการฝึกพอสมควรนะ <c oughs> อยู่ดีให้เขารับรู้เนี่ยเขาก็รับรู้จริงๆไม่ได้หรอกเขารับรู้ได้แป๊บนึงเขาก็เผลอไปอีกแล้วนะเพราะเขไม่ได้รับการฝึกฝนเพราะความเคยชินที่เขาหลงมานานแล้วนะนะครั้นี้เราก็ใช้เวลาเราเนี่ยมาฝึกฝนอ่าในการที่เขาจะรับรู้การขึ้นไหวต่างๆของกายนี่แหละนะ พอเขาฝึกฝนได้สักระยะหนึ่งดยการต่อเนื่องพอสมควรแล้วเนี่ยเขาก็สามารถกลับมารับรู้ของเขาได้เองนะเราเคลื่อนไหวต่างๆเขาก็จะเริ่มรับรู้ได้แล้วนะเขาก็จะเห็นกายที่เขาเคลื่อนไหวไปกายเคลื่อนไหวใจก็รู้เท่าทันอกายเหล่านั้นนะก็คือกายอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นนะสามารถที่กลับมามีสติอยู่กับกายที่มีการเคลื่อนไหวนั่นแหละ เนีเช่นนี้มันก็เป็นการฝึกนะให้จิตไม่ไปไกลนะบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นคนที่เลี้ยงบัวนะ <c oughs> ปล่อยบัวเนี่ยอ่ไปหากินเองนะบัวก็หากินไปเรื่อยๆนะมันก็เลยหากลับมาเลยยากนะแต่ถ้าเราวาัวเนี่ยมาผูกไว้นะมีอ่าเชือกผูกอยู่บ้างนะเขาก็หากินไม่ไกลก็อยู่แถวๆเชือกนั่นแหละนะเพราะว่าเขามีเครื่องที่ว่าผูกผูกเขาอยู่นะ พลจิตเราถ้าเราไม่มีเครื่องผูกบางอย่างนะเขาก็ไปไกลนะบางทีเราก็หลงไปต้องนานอ่าสินาทีครึ่งชั่วโมงเราก็ไม่รู้ว่าเราหลงนะเพราะเราไม่มีเครื่องผูกจิตเอาไว้ไม่มีเครื่องอยู่ของจิตนะแต่นี้เราก็อาศัยเครื่องอยู่ของจิตนะเครื่องผูกจิตเอาไว้ก็คือให้เขารู้นะในฐานกายที่เคลื่อนไหวนะให้เขารู้ในปัจจุบันธรรมนี่แหลนะเขาก็ไปไม่ไกลนะเขาจะไปไม่ไกลหรอกเขาคิดไปเขาก็กลับมาได้เร็วขึ้นนะ กลับมารู้ขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เขาเริ่มกลับมารู้ได้แล้วนะเขาจะไม่หลงไปนานเหมือนสมัยก่อนนะครัคนเนจากการที่เราสามารถรู้ฐานฐานกายได้ น, นี่แหละ <c oughs> จิตก็จะเริ่มที่จะละเอียดขึ้นนะก็จะไปรู้ <c oughs> ในฐานจิตได้นะความคิดต่างๆที่มันไวรวดเร็วว่องไวนะอะมันจะคิดมันหนึ่งมากมายมหาศาลนะบางทีแค่สิบนาทีก็คิดไปเป็นสิบเรื่องก็มี <c oughs> เขาจะคิดไวมาก แต่สมัยก่อนเราจะรู้ไม่ทันหรอกอบางทีคิดไปต้องไหลเรื่องแล้วเนี่ยเราก็รู้ไม่ทันเราก็ช่วยเขาคิดด้วยต่างหากนะคือไม่รู้เลยว่าขณะนี้กําลังคิดอยู่อแต่ว่ารู้ในเรื่องที่เราคิดเยอะแยะนะอบางคนก็เริ่มคิดแล้วเออเมื่อไหร่จะกลับบ้านนะเอออีกสองวันเริ่มดีใจกลับไปแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อไปกินอะไรให้อร่อยอร่อยนะอดมาหลายวันแล้วก็คือไม่อดนั่นแหละแต่ว่าไม่ชอบ เพราะมันไม่ถูกลินของเรานะไม่ถูกกิเลสของเราอยากไปหากินที่เราชอบนะอ่าอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนอ่าไปชวนเพื่อนไปเที่ยวไหนดี <c oughs> ก็คิดไปสารพัดเลยนะอันนี้เรารู้ว่าเรากำลังคิดแต่ไอเรารู้ว่าเราเรื่องคิดเรื่องอะไรแต่ขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าเรากําลังคิดอยู่นะ <c oughs> มันก็เลยไหลไป <c oughs> แต่เมื่อ <c oughs> แต่เมื่อใดที่เราเริ่มกลับมารู้ว่าเออขนาดนี้กําลังคิดไปแล้วนะความคิดมันหยุดทันทีเลยนะมันจะไม่ไหลไปอย่างเก่า พอเราคิดไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าขณะนี้กําลังคิดนี่ความคิดหยุดเลยนะหยุดทันทีนะอันนี้หลักก็เรียกว่าเป็นสติแล้วสติในการอะไรในการรู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะอ่าเหมือนกับเรากําลังนั่งยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้ว่าขณะนี้กําลังทําสิ่งเหล่านั้นพเพราะเมื่อเราคิดไปนะเราก็รู้ว่าขณะนี้กาลังคิดปั๊บเนี่ยความคิดก็หยุดเลย <c ười> นี่ก็เป็นสติที่เรากลับมารู้ในขณะปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ น, ะะนั่นเองนะ เพรา ะ, ะนั้นการที่จิดคิดไปเนี่ยไม่จะเป็นเรื่องผิดของเรานะไม่ใช่เป็นความผิดหลอกนะแต่การที่เขากลับมาได้ไหมเนี่ยตัวเนี่ยมันสําคัญกว่านะอ่าเขาคิดไปสิบครั้งเออเรารู้ทันกลับมาสิบครั้งนี่อันนี้สติเราโตแล้วนะอ่าสติเราโตขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าคิดไปสิบครั้งเรารู้แค่ครั้งเดียวอันนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันยังน้อยเกินไปนะ ครั้นี้เราก็ไม่ต้องตั้งใจรู้ทันถึงสิบครั้งนะถ้าเราตั้งใจรู้ทันถึงสิบครั้งแล้วก็ไปเพ่งไว่ได้เออคิดอะไรปุ๊บต้องรู้ทันก็กลายเป็นเราเพ่งไว้ก็ผิดไปอีกนะ <c oughs> เพราะฉนั้นบางคนก็ไปบัตรใ บ, บผิดๆก็มีนะอ่าพอรู้เช่นนั้นปุ๊บก็ไปคอยดูความคิดเลยนะ น, นั่นเป็นการเพ่งเอาไว้แล้วอันนั้นไม่ถูกต้องนะเ ป, น เ, ปนเป็นการกดการข่มนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> ธรรมะที่แท้จริงคืออะไรนะธรรมะที่แท้จริงก็คือ การที่เรารู้ตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่ให้เขาเป็นตามที่เราต้องการนะถ้าให้เขาเป็นตามที่เราต้องการ น, นั้นนัคือสมถะทั้งหมดนะคือการไปบังคับควบคุมกดขี่เขาให้เขาอยู่ในคอนโทรลในบังคับของเรานะนี่คือสมถะทั้งหมดเลยนะเป็นการที่เราอ่ามีความตั้งใจมากเกินไปในการจะควบคุมเขาซึ่งมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของจิตจริงๆ นะแล้วเมื่อควบคุมเขาถึงระดับหนึ่งแล้วเขาจะแสดงอาการบางอย่างที่ว่าเราควบคุมก็ไม่ได้ออกมานะโดยการได้เห็นว่าฟุง้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกนะอันนี้มันไม่ใช่ธรรมะที่ว่าอ่าเป็นของจริงนะส่วนวิปสัสสนาคือเรารู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละอ่านะเข้าหลงไปก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเราแต่เรารู้ไหมขณะนี้เราหลงนะขณะนี้เราคิดรู้ไหมนะขณะนี้กำลังมีอารมณ์อะไรรู้เท่าทันไหม่นะเนี่ยเป็นซึ่งแล้วเนี่ยเป็นของจริงมากกว่านะ วิปัสนาคือการที่เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นเองนะเราไม่ได้ไปแทรกแซงเขาไม่ได้ไปกดข่มเขาให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเรานะเพราะถ้าเช่นนั้นก็เราก็ทำได้ตันหาได้การที่ว่าอยากเห้าเป็นตามที่เราต้องการนะแล้วจริงๆเราก็ทําไม่ได้หรอกก็ทําได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่สภาวธรรมความเป็นจริงก็จะไม่เกิดขึ้นนะที่จะให้เราเห็นความจริงในตรงนี้ว่าเขาเป็น อันนี้จังทุกครั้งนับตาอย่างไรนะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้อย่างไรนะตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากกว่านะที่จะให้เขาตามที่เราต้องการเพราะถ้าเขาทําตามเราต้องการได้ก็แสดงว่าเราบังคับบัญชาเขาได้นะเมื่อเราบังคับบัญชาเขาได้นั่นแหละก็คือว่คือความเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะว่าอ่าตัวตนเป็นสิ่งเราอ่าไม่ใช่ของเราแต่กลายว่าตัวตนของเราเพราะเราสามารถบังคับบัญชาเขาได้ทุกได้ทุกอย่างน้นนี้มันก็เป็นการที่ผิดหลัก ในผู้ศาสนานะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติทำก็เพื่อเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะว่าทุกทุอย่างไม่ที่ยังเป็นทุกเป็นนัตตานะไม่ตัวไม่ตนในตรงนี้จึงจะมีความชัดเจนนะครั้นี้เมื่อเราไม่บังคับบัญชาของเขาแล้วจริงๆเราก็เห็นไปตามความเป็นจริงในกายและใจที่เขาแสดงอาการออกมานั่นเองเนาะนะครั้นี้กายเนี่ยเราก็บางอย่างเราก็เริ่มจะเรียนรู้แล้วว่าเออเขาก็มีการเคลื่อนไหวต่างๆเราก็รับรู้ได้นะ แต่การรับรู้ได้มันไม่ใช่รับรู้ได้ตลอดเวลานะมันก็หลงไปหลงไปเลาะ ก, กลับมาอันนี้จริงถูกต้องแต่ถ้าเราคอยรับรู้ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนี่ก็คือการไปบังคับเขาเองนั่ น, น, นเองน ะ, ะการเราคอยประคองตัวรู้ยา ว, ยาวๆต่างๆเหล่านี้เราก็ไปบังคับเขาอีกนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะหลวงพเทียนนั่นเึงบอกว่าให้รู้นะต่อเนอบลุกโซ่นะ เขา่อรู้ตอนนึบลูกโซ่ก็ความหมายหนึ่งก็คือให้รู้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนนั่นเองเนาะอีกความหมายหนึ่งก็คือลูกโซ่ก็เป็นข้ อ, ขอๆมันไม่ได้ยาวแบบเหล็กเส้นนะก็คือรู้เป็นขณะขณะรู้เป็นไข่ปลารู้แล้วก็หลงได้รู้แล้วก็ทิ้งได้นั่นเองนะมันรู้รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบนะมันก็สามารถที่จะหลงได้อีกครั้งหนึ่งนะ แต่ถ้าเราไปประคองให้รู้ยาวๆเป็นเหล็กเส้นนะก็คือรู้ที่เดียวยาวเหยียดยาวเหยียดเลยนะอาจจะรู้ทีเดียวอ่าสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงไปเลยนะนี่มันจะเกิดความเครียดนะความมึนความปวดหัวตามมาเพราะฉะนั้นเราเริ่มไปบังคับเขาแล้วนะนี่ก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลวงพ่เทียนท่านจึงบอกว่ายิ่งหลงยิ่งรู้นะอ่ทนะ่านบอกว่ายิ่งหลงยิ่งรู้อนะ่ก็คือยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นั่นเองนะหลวงพ่เทียนบอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราหลงแล้วเนี่ยเรากลับมารู้ได้เนี่ยเราได้คะแนนแล้วนะได้คะแนนแล้วมันไม่ใช่ต้องให้เขาไม่หลงนะบางคนไปบัตแล้วโอ้โสี่วันแล้วทําไมยังหลงอยู่เลยนะ <c oughs> เราก็เริ่มคิดว่าเราไปบัตรทาไม่ได้มันไม่มีสติต่อเนื่องเราก็ทํำมันต่อเนื่องอันนี้เราอันนี้เราหลงซะเองแล้วน ะ, ะเราเริ่มไปบังคับเขาแล้วให้เขารู้ตลอดเวลาอันเนี้ยอ่ามันก็จะกลายเป็นความไม่ถูกต้องไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับประเด็นได้นะ ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ไม่เป็นไรยิ่งคิดยิ่งรู้นั่นแหละจิตมันยิ่งตื่นนะอะการที่เขาคิดไปแวบหนึ่งแล้วเรารู้ทันว่าขณะนี้คิดแล้วเนี่ยอันนี้จะจิตจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครั้นี้จิตท่านตื่นได้บ่อยครั้งเนี่ยอจิตเขาก็จะเริ่มรู้ทันความคิดได้เร็วขึ้นความคิดอย่งเมื่อก่อนเราคิดไปสิบเรื่องแล้วคอยรู้เนี่ยอีกหน่อยพอเราคิดไปเรื่อง2เรื่องเขาก็รู้แล้วนะคิดเรื่องหนึ่งเขาก็รู้แล้วเนี่ยคือมันเริ่มเห็นความคิดแล้วจิตก็จะตื่นขึ้นมา นะพอจิตตื่นนี่ต่อไปก็จะง่ายแล้วนะมันก็จะเห็นอาการไหลของจิตได้นะจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันเลยนะมันกลายว่าเราจะมีสติดโดยอัตโนมัติขึ้นมาในตรงนี้นะมันก็จะตามรูนะ้ในการไหลของจิตได้นะจิดคิดเมื่อก่อนคิดไปแล้วนะเรายินดียินร้ายเราก็รู้ไม่ทัน <c oughs> คือความคิดนี่เป็นเหตุให้เราเกิดเวทนานะเวทนาก็คือความยินดียินร้ายหรือความเฉยเฉยนั่นแหละเมื่อก่อนเรารู้ไม่ทัน แเราก็หลงไปในระมเหล่านั้นนะะบางทีเรื่องเก่าๆกลับมาลื้อฟื้นขึ้นมาคิดใหม่เขาเคยด่าเราเคยดูถูกเราเมื่อห้าปีก่อนเราก็มีความทุกข์นะแต่คราวนีนะ้เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วนะเราจะเห็นว่าเอ อ, อ้ความทุกข์นั้นมันเกิดจากความคิดเราทั้งนั้นเลยนะอการที่เรามีความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากความคิดเราทั้งนั้นเลยพอเราเห็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มความความคิดได้เร็วขึ้นนะ ความสุขความทุกข์นั้นนะถ้าเรารู้ทันแล้วมันทําอะไรเราไม่ได้แต่ที่มันทําเราได้เพราะว่าเรารู้ไม่ทันมันแล้วเราก็ไหลไปในรมต่างๆเหล่านั้นเราจะ เ, เห็นทุกวันนี้มี ข, าข่าวฆ่ากันตายมากมายนะฆ่าตายนี่ไม่ได้เกิดจากการที่ไปป้นไปจี้อะไรหรอกบางที เ, เกิดจากสามีหึงหวงภรรายาก็ไปฆ่าภรรายาะภระรายาหึงหวงสามีก็ไปฆ่าสามีนะหรืออบางทีอ่า ทนไม่ไหวค่าที่เดียหมดนั้งครอบครัวก็มีนะหรือบางทีลูกลูกเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีนะอยากจะรวยเร็วนะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หวังมรดกก็มีนะบางทีผู้หญิงผิดหวังที่ผู้ชายรักเขาเขาไม่รักเราเสียใจอกหักก็ไปฆ่าตัวตายอันนี้เยอะแยะเลยนะพวกเราเนี่ยน้าสงสารคือร่างกายในปกติอยู่แล้วร่างกายเนี่ยแข็งแรงดีกว่าคนพิการดีกว่าคนที่ มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บตั้งเยอะแยะนะแต่ว่าจิตใจป่วยนะป่วยคือป่วยทางใจนี่มันอันตรายกว่าป่วยทางกายนะเพาป่วยทางใจนี่ไอ้ป่วยทางกายนี่จริงๆแล้วรักษาได้ง่ายแต่คนป่วยทางใจนี่บางที20ปียังรักษาไม่ได้เลยนะบางทีหนักๆนี่ก็ทนไม่ไหวไปค่าตัวตายนะเพราะว่าทนทนต่อความคิดไม่ได้นะความคิดที่ไหลไปอารมณ์ต่างๆแล้วนั่นแหละดึงไม่กลับมาแล้วนะพวกเราเนี่ยเขไม่เคยฝึกมาก่อนนะเมื่อกระทบ ความยินดีร้ายก็ไหลเข้าไปเลยนะไหลเข้าไปอย่างรวดเร็วนะบางคนเราสังเกตว่าหัวร่องง่ายนะคนเหล่านี้ก็จะร้องไห้ได้ง่ายด้วยเป็นผู้ที่ไหลเข้าในอารมณ์ได้ง่ายนะแต่เมื่อเราเริ่มเห็นนะอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะจากการที่เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แหละจากเมื่อก่อนเราเคยไหลเข้าไปหัวลอกก็หัวลอกจนน้ําหูน้ําตาไหลนะหรือร้องไห้หรือว่าเสียใจกระทบ ป, ปุ๊บก็น้ําตาไหล อาการเราเนี่ยมันจะไม่เป็นนะมันไม่เป็นหรอกเพราะว่าพวกเนี่ยเขาชื่อว่าเราหลงมากนะเราหลงไปมากเนี่ยมันจะอาการแบบนั้นนะแต่พอเรามีสติเริ่มรู้เท่าทันอารมณ์ได้เร็วขึ้นคือเกิดจากการรู้ทันความคิดก่อนนะพอรู้ทันความคิดก่อนจะรู้ทันความบุญแต่งเพราะความคิดนั้นทําให้เกิดเวทนาก็คือความยินดียินร้ายเมื่อรู้ทันความคิดแล้วเวทนาเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงนะความยินดีร้ายก็ลดน้อยลงไปด้วยนะ แล้วเมื่อสติมีมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นว่าความยินดียินร้ายเหล่านั้น่ะพวกนี้น่ะคือความทุกข์แท้จริงนะะแม้แต่ความยินดีก็เป็นความทุกข์ส่วนยินร้ายนี่ไม่พูดถึงเลยมันทุกข์แท้ๆนะจิตของเราที่มีกําลังแล้วนะไม่มีความทุกข์เหล่านั้นเราจะรู้ว่าจิตงเราเนี่ยมันไม่ต้องการนะเหมือนกับเตาลีดนั่นแหละสมัยก่อนบางทีเออ่อาจจะมี คนรีดเตารี่เอาไว้นะแล้วถอดปลั๊กเอาไว้เราก็ไม่รู้เตารี่มันร้อนไม่ร้อนเนี่ยพอมาหนึงจับปุ๊บมือพองเลยนะอ่แต่ตอนหลังเราเริ่มรู้แล้วเออเตารีดเนี่มันทําให้มือพองเลยนะอเราก็ไม่จับแบบสมัยก่อนแล้วนะอย่างมากๆก็จะไปแตะๆดูว่ามันเย็นมันร้อนแค่นั้นเองเราจะไม่จับเต็มที่นะเพราะจิตเราก็เหมือนกันเมื่อเขามีกําลังในการรู้เท่าทันความคิดแล้วเขาก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้เองนะเขาจะไม่ไปจับแบบสมัยก่อนสมัยก่อนก็จับเตารี่เต็มที่เลยนะ อแต่สมัยก่อนสมัยหลังนี่เราก็ไม่จับหรือแค่ไปแตแตนะๆเพราะนั้นการที่เรามีอาการเช่นนั้นนั่นแหละความทุกข์ในใจของเราก็จะล ด, ล, ดลงลดลงได้นะเรารู้แล้วว่าความโกรธไม่ดีนะ เ, เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วคนที่ทุกข์ก็คือตัวเรานั่นเองนะ เ, อเราก็เลยรู้ว่าเราก็ไม่อยา ก, กโกรธแล้วใครมาด่าเรามานินทาเราเมื่อก่อนเราก็เคยสวนกลับไปด้วยความมันนะแต่ตอนหลังนี่เขามาด่าเราก็เฉยๆมันก็ จิตมันก็รู้สึกมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องของเขาเองเช่นนั้นเองเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาก็วางไปเองนะเขาก็ไม่ไปสวนกลับอย่างเก่านะนี่แหละมันก็ค่อยๆวางในทุกอารมณ์นะความยินดีรายเราก็เห็นว่าเป็นของชั่วคราวนะเข้ามาชั่วคราวนะอารมณ์ต่างๆก็มาชั่วคราวความรักความชังก็มาชั่วคราวไม่ได้ถาวร อ, อะไรนะจิตก็ไม่ไปให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นเขาก็จากไปอย่างรวดเร็วนะเนี่ยตรงนี้เกิดจากกาลังของสติที่มันมีแล้ว นะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสามารถที่จะไม่จับอารมณ์อะไรแล้วรู้ว่าทุกอย่างเป็นการทั่วคราวแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งนั้นก็จะหลุดจะผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านหมดนะทุกอารมณ์ก็ผ่านหมด <c oughs> นะเพราะนั้นเมื่อผ่านหมดแล้วนะความทุกข์ในใจเราก็จะค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะจนในที่สุดมันก็อาจจะหมดไปนะตรงนี้ก็เหมือนกับที่หลวงพเทียนนั่นก็เคยบอกเอาไว้ว่า ผู้ใดที่ปฏิบัตินะแล้วก็สามารถที่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันนะ อ, อย่างเร็วก็1วันถึง90วันอย่างกลางก็1ปีอย่างช้าก็ไม่เกิน3ปีความทุกข์ก็จะลดลงหรืออาจจะไม่มีความทุกข์เลยก็ได้ก็คือแบบนี้นั่นเองนะเราก็จะเห็นจิตใจของเรานี่แหละว่าจิตใจของเรานี่แล้วนะมันมันไม่หลงมาสมัยก่อนแล้วมันเริ่มมีความรู้เกิดขึ้นแล้วนะรู้เท่าทัน อารมณ์ทั้งหลายต่างๆเราเนี่ยเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะเราจะไม่มีความรักความชังแบบสมัยก่อนแล้วนะมันก็มาชั่วคราวแล้วก็ไปไม่ให้ตัวไม่ตนนะเขาก็วางได้นะตรงเนี้ยจิตมันจะมีกําลังขึ้นเรื่อยๆนะแล้วในขณนะไปบัตรธรรมก็จะเริ่มเห็นว่าเออกายนี่มันก็เป็นแค่รูปใจก็เป็นแค่นามมันก็ไม่ยึดติดว่ากายนี้เป็นของเราแบบสมัยก่อนนะตรงนี้มันสังเกตได้ไม่ยากนะมืางที่เราเดินจงกรมไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่า อ, อจริงๆแล้ว มันก็แค่กายเดินไม่ใช่เราเดินหรอกใช่ไหมมันก็แค่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะมันก็ค่อยๆแยกออกมาว่านี่เป็นแค่รูปแค่นามไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นความยึดติดในความเป็นตตนมันก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆน ะ, นะะนนเนี่ยเช่นนี้ความทุกข์ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรายึงยึดติดว่ากายและใจเพีงเราอยู่อย่างเต็มที่ <c oughs> เพราะฉะนั้น ใ, นใครก็จะมาว่าเรามาดูถูกเราไม่ได้นั่นแหละตรงนี้อัตตามันเต็มที่แล้วเราจะมีความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเราจะเห็นว่ากายและใจนี้มันก็เป็นเช่นนั้นเองนะมันก็คลายความยึดติดในกายและใจนี้นความทุกข์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อ <c oughs> ในตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันจะก็จะวางโดยตัวมันเองจากการที่เราเข้าใจนะในความเป็นวิจังทุกขนักตานะั่นแหละว่ามันไม่เทียเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจริงๆแนละ้วมันจะจ ะ, จะวางลงนะครั้งหนึ่งก็มีอพระอินทร์ก็มาถามพุทธเจ้าว่าทำมาอะไรที่สั้นที่สุด พราะเจ้าก็บอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินเวสา ย, ย ะ, ะทำทั้งหลายก็คือความมายึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะเมื่อฟังเช่นนี้แล้วพระอินทรก็เลยเข้าใจในตรงนั้นนะก็มีจิตใจผ่องใสเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการสรุปธรรมของพระเจ้าว่าทุกอย่างนะก็คือทำทั้งหลายก็คือความมายึดมั่นถือมั่นเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้แล้วจิตก็จ ะ, ะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางของเขาเองนะมันก็ในสุดก็จะคลายจากความยึดติดในขันห้าในทุกอย่างแล้วเนี่ย นั่นแหละคือขนทานที่เราจะเจะความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะนั้นในอตอนนี้ในท้ายสุดนี้ก็ขอรัฒนาบารมีคุณพระรันตนไตรนะมาน้อมนำร็กท่านมีความเจริญในศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ไดเ้เร็วพันทุกท่านเท่านน